วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับชาติไทยของเราเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นพวกเราเป็นพระสุกนิกกรชาวไทยเมื่อเราประกอบคุณงามความดีอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พวกเราน้อมจิตถวายอุทิศ น้อมจิตถวายเป็นพระราษฎรุศลต่อองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยืนยาวนานหายจากโรคคาพยาธเป็นร่มโพ ร, รมไสของประศนิกรเมื่อเราประกอบคุณงามความดีอันไหนเราก็ควรจะน้อมจิตใจถวายเป็นพระราชฎรุศล ในวันนี้วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นวันพ่อแห่งชาติคำว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเบื้องสูงอันนี้เราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันพ่อเป็นที่เราเล่มึกถึงพ่ อ, อคำว่าพ่อแม่ คำว่าพ่อคำนี้ทางวมตระกูลใดก็ตามครอบครัวใดก็ตามถ้าพ่อไม่มีวิสัยทัศน์ถ้าพ่อไม่ได้รับการศึกษาที่ดีถ้าพ่อเป็นคนง่เง่าเต่าตุนพูดอย่างนั้นได้ง่ายถ้าพ่อไม่ได้รับการศึกษาเป็นคนโง่พอลูกเกิดขึ้นมาก็จะแนะนำไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่เจริญก้าวหน้าเพราะเหตุไรเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็เป็นคนเพียงแต่หาอยู่หากินเป็นวันวันอนาคตของลูกก็คงจะไม่ก้าวไกลถ้าว่าพ่อแม่ เป็นคนมีวิสัยทัศน์หมั่นขยันเมื่อลูกเกิดขึ้นมาพ่อแม่ก็มองไกลว่าลูกของเราเกิดขึ้นมาแล้วเราจะให้เรียนให้ศึกษาที่ไหนจะสมฐานะการเงินการเป็นด่ของพวกเราจากนั้นก็มองหาโรงเรียนที่ดีๆสถานที่ดีๆจากนั้นก็เลี้ยงลูกของตนเองด้รับรการศึกษาดี พร้อมกันลูกตัวเองก็เป็นคนดีด้วยตระกูลนั้นหรือครอบครัวนั้นจะไปได้ไกลเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกด้วยได้รับการศึกษาที่ดีเพราะนั้นพ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากจะเป็นต้นตระกูลไหนก็ตามจะเป็นวัดวาศาสนาอย่างหัวหน้าวัดก็เหมือนกันตัางหัวหน้าวัด อยู่ปกครองหรือไม่ได้ดูไม่มีการอบรมแนะนำสั่งสอนไม่เด่นนำประพฤติปฏิบัติให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่เข้าใจวัดนั้นลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยก็ไม่มองไม่กล้าวไกลท่ายิ่งลูกศิษย์ไม่ได้สนใจไม่ได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วก็ยิ่ง ไม่ไปไปไม่ได้ความคิดความอ่านไม่เก้าไกลเป็นเสียแต่ลูกศิษย์ลูกหาฉลาดถึงครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้พูดน้อยแต่ก็ท่านทําให้ดูเราอยากจะได้ความรู้ความฉลาดเราก็สแสวงหาหนังสือหรือทำคําสั่งสอนมีเยอะแยะที่จะมีทางออกหรือจะมีทางที่จะมีหนทางในการศึกษาเราก็นํา แนวความคิดนั้นหรือปรัชญานั้นนํามาศึกษาก็สามารถที่จะมีความรู้ความฉลาดกว้างขวางไปได้สรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังได้รับการศึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องพ่อนเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างในหลวงของพวกเราก็เช่นเดียวกันในหลวงของพวกเรานี่ก็มีมากมาย ในโครงการพระราชดําริโครงการพระราชดําริไม่ลวกกี่ของโครงการที่ให้ประเทศชาติประสกนิกรได้รับความสะดวกสบายและการแนะนําสั่งสอนอีกต่างหากว่าการเป็นอยู่นั้นควรจะเป็นอยู่ด้วยวิธีอย่างไรเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนั้นทําตนอย่างไรแต่ บางท่านบางคนพอมาได้ยินว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็มาถกมาเถียงกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนกับถอยหลังเข้าคลองเหมือนกับอยู่แบบโบ ร, โบราณไม่มีการพัฒนาแต่ตามไม่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือให้ทันให้เดินทันก้าวกับโลกของเขาให้ได้อย่าไปนิ่งนอนใจสิ่งไหนที่ควรจะได้ สิ่งไหนที่ควรจะเหมาะสมในการเป็นอยู่มันขยันอ ด, อดทนนั่นล่ะคือหน้าที่ของคนในชาติไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วงอมืองอเท้ามีแต่อใจกินมรดกของพ่อของแม่ที่หามาให้ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นโลกจิบหายแน่ๆเพราะอะไรเพราะโลกไม่ได้มองไกล แต่หลวงพ่อนึกเองก็นึกเป็นห่วงเหมือนกันที่โลกยุคสมัยนี้มีแต่คนพุกอยู่ก่อนพ่อแม่เป็นห่วงลูกจากนั้นก็ทํามาค้าขายสสเสาะแสวงหาทรัพย์มากองให้แก่ลูกลูกก็เกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในกองเงินกองทองจากนั้นก็เร่เรียนศึกษาหาความรู้บางคนก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเรียนอีกต่างหากเพราะมีเงินมาก หลงไหลในทรัพ์สมบัติเที่ยวเตอไม่รู้จักการประคับประคองตนเองผลที่สุดเรียนที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องไม่จบผลที่สุดก็ผานผานเงินของพ่อของแม่เอาเงินพ่อแม่มาใช้แบบไม่รู้จักคุณค่า <c oughs> ก็ททำให้ตระกูลของตระกูลนั้นล่มจมจิบหายลงได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะวันลูก ไม่ได้สืบทอดไม่ได้ใช้ไม่ได้มองไกลไม่ได้มองอย่างพ่อแม่ที่เสาะแสวงหาทรัพย์ก่อนที่ท่านเะเสาะแสวงหาทรัพย์มาได้นั้นอาบเหงือ่อเหยื่ดเหงื่อของท่านเท่าไหร่คนที่ทำงานแล้วได้เงินคนนั้นเขาจะรู้คุณค่าของเงินคนที่เขาทำงานหนักเท่าไหร่เขายิงรู้คุณค่าของเงินแต่คนที่ไม่ได้ทางาน เกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นแต่กองเงินกองทองเขาจะไม่รู้คุณค่าของเงินเขาจะใช้เงินใช้ของยลุยชุยแฉกเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่รู้จักคุณค่าจนกว่าเมื่อใดของหมดไปแล้วเงินหมดไปแล้วพ่อแม่ไม่มีเสียแล้วเมื่อนั้นล่ะเขาจะรู้รู้คุณค่าว่าการขาดเงินแล้วว่าขาดการ การใช้ใจ่ายนั้นเป็นอย่างไรแต่บางคนก็สายไปเสียแล้วบางคนก็ฟื้นตัวไม่ขึ้นจมลงไปเลยนี่แหละอันนี้จะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายจะต้องมองไกลมองให้รอบด้านมองให้รอบข้างสิ่งไหนที่มันไม่ดีอยาริคิดริธรริพูดถ้าพูดทาออกไปแล้ว ความหายยะนะก็จะเข้ามาสู่พวกเราท่านทั้งหลายในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้สติให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความรอบครอบในการเป็นอยู่ในหลักสอนครวาตท่านสอนว่าอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันในการเรียนในการศึกษา หน้าที่ของพวกเราขณะนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราจะเที่ยวเตะพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนหนังสือก็พยายามพยายามเรียนหนังสือให้ได้ให้จบซะก่อนแล้วเราจะคิดทําอะไรแล้วค่อยทําไม่ใช่ว่าไปเรียนหนังสือก็เลาะๆแหล่ลล แ, ลแลจากนั้นก็โกหกเขียนจดจดหมายหลอกพ่อแม่ว่าอยากจะได้จังนูอยากจะได้จางนี้ มีความจำเป็นจะต้องได้ใช้เงินอย่างนู่นอย่างนี้ผลที่สุดก็เอาเงินจำนวนที่พ่อแม่ให้ด้วยความทุกข์ยากลำบากพ่อแม่ก็ด้วยความรักลูกของตนเองถึงจะไม่มีในกระเป๋าก็ไปกู้ยืมคนอื่นเขามาเพื่อสงให้ลูกกลัวลูกจะเสียอกเสียใจลูกก็ยิ่งได้ออกได้ใจจากนั้นก็ใช้ หลอกพ่อแม่ไปเรื่อยอันนั้นแปลว่าถ้าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเป็นว่าอาวัชชา ต, ตบุตรบุตรที่ไม่ดีเกิดมาแล้วมีแต่าลพ่อพลานแม่แล้วแต่อวัชชา ต, ตบุตรอนุชา ต, ตบุตรบุตรที่เสมอพ่อแม่พ่อแม่ทํามาค้าขายเลี้ยงชีวิตอย่างไรเราก็ดํารงคงชีพอย่างที่พ่อแม่พาบดาเนิน อันนั้นเรียกว่าอนุชาตตบุตรส่วนอนภิชาตตบุตรคือบุตรที่เหนือพ่อแม่ถ้าพ่อแม่นำทําหน้าที่การงานขนาดนี้เรามีหน้าที่การงานที่เหนือกว่าการเงินของเราเหนือกว่าเกียรติยศชื่อเสียงของเราเหนือกว่าอันนั้นท่านจัดว่าเป็นอนภิชาตตบุตรเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายจะเป็นบุตรอย่างไรจะเป็นบุตรประเภทไหน ในการเป็นอยู่ของพวกเราอันนี้ก็ขอให้พวกเราคิดตรวจตราตัวของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้ตรวจตราดูตัวเองมันจะลืมตัวได้ง่ายง่ายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่าหลอกเงินพ่อแม่เอามาใช้เป็นครั้งคลังคราวๆเป็นวันๆเดือนๆปีๆผลที่สุดก็เรียนไม่จบจากนั้นก็ทะเล ถ, ถลาย ออกไปออกไปก็ไม่ได้ทำการทำงานผลที่สุดก็เป็นนักเลงหัวไม้ก็มีที่จะหลอกจะต้มจะตุนเขาก็ทำได้เพราะเหตุใดเพราะว่าการของชีพตัวเองไม่เพียงพอเพราะตัวเองใช้เงินมือเติบในเมื่อการใช้เงินมือเติบแล้วเงินไม่พอใช้ก็พร้อมที่จะทำได้ทุกอย่างนั่นแหละถิ่นความหายันะก็จะมาสูตรสบงสกุลของตัวเอง ถึงเมื่อนั้นแหละท่พ่อแม่รู้ว่าลูกของตัวเองเป็นยังไงยิ่งมีความเสียใจเป็นอย่างมากท้าลูกทําลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วอย่าให้พ่อแม่หนักใจกับเราเราขาสองแขนสองสมองหนึ่งเราพร้อมที่จะเดินไปสู่โลกกว้างเราจะพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าให้ดีขึ้น ไม่ใช่ว่าเราเรียนเท่าไหร่ก็ยิ่งโง่เง้าเต่าตุ่นก็ยิ่งเอาตัวไม่รอดเข้าทำนองคนโบราณเขาบอกเป็นคำปังเผยว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมันลักษณะอย่างนี้แหละเพราะเหตุใดการเรียนการศึกษาเนี่ยสูงกว่าพ่อกว่าแม่พ่อแม่จบเพียงป .4 ป .6 แต่เลี้ยงลูกเรามาเลี้ยงลูกได้แต่พอเลี้ยงไปแล้ว ลูกใหญ่โตขึ้นมาแล้วเลี้ยงเอาตัวไม่หลอดเพอเพยังมาต้มตุ๋นพ่อแม่หลอกลวงพ่อแม่ขายที่ดงที่ดินที่ไร่ที่นาของพ่อแม่อีกอันนี้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อพูดเป็นภาพรวมให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าเราเห็นใครกระทําอย่างนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเออการกระทาอย่างนั้นมันไม่ถูกตามหลักกฎเกณฑ์ของ สมมติยมมันไม่ถูกต้องทางที่ถูกที่ต่องนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านพูดมาตั้งสองพันกว่าปีท่านบอกว่าอุทนาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรคะสัมปทาถือถึงพร้อมด้วยการรักษาสัมมาชีวิ ต, ตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบกัยญาณมิตรตาให้คบเพื่อนที่ดีงาม อันนี้คือท่านพูดเป็นเรื่องสี่ประเด็นอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้ยความหมั่นความขยันสิ่งไหนที่ถูกต้องให้หมั่นขยันในการเรียนในการศึกษาอย่าไปขี้เกียจขี้คล้านในการเรียนการศึกษาของตนเองเพราะพ่อแม่ส่งให้ไปเรียนไปศึกษาเราต้องค้นคว้าศึกษากับพร้อมกัรก็ให้ประหยัดในการใช้การจ่ายเพราะพ่อแม่ตัวเองไม่ใช่เจ้าของเงินถงเงินถัง ที่จะทุ่มเทให้แก่ลูกๆเพราะนั้นพวกเราผู้เข้าไปศึกษาก็ต้องประหยัดในการใช้จ่ายจะให้เดือดร้อนพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ท่านเลี้ยงเราดูเราส่งเสริมเราเพื่อการเรียนการศึกษาการอยู่การกินพอประทังชีวิตแต่พวกลูกบางคน พอได้เงินมาก็ซื้อบุหรี่สูบมันผิดวัตถุประสงค์ของพ่อแม่แต่บางคนก็บอกอา้าผมไม่ได้สูบปากของผมเองแต่ตามไม่จริงกับปากของเราก็จริงแต่เงินที่ได้มานั้นพ่อแม่ไม่ได้ให้เพื่อเราเอามาสูบบุหรี่เอามาเพื่อให้เราเรียนเพื่อศึกษาไม่ให้เรามาเที่ยวมาเตะมากินเหล้าเมายาถ้าเราใช้อย่างนั้นเงินเราใช้ผิดประเภท พ่อแม่ให้เรามาเราใช้ผิดประเภทแต่ถ้าว่าพวกเราได้รับเงินเดือนเราทําการทํางานแล้วเราได้กินเงินเดือนของเราแล้วอันนั้นไม่ว่ากันเพราะเหตุใดเพราะเป็นสิทธิ์ของเราที่จะต้องใช้อย่างไในก็ได้ทุกข์ก็ทุกข์ข่าเองจนก็จนข่าเองรวยก็รวยข่าเองอันนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่พ่อแม่ออกมาให้เราการเพื่อการศึกษานี่ยอันนี้เราต้องคิด เพราะพ่อแม่มีลูกหลายคนบางทีก็มีกำลังเรียนกำลังศึกษาทั้งสองสามสี่คนนะเงินจะหาได้เท่าไหร่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากไว้กับพวกเราที่เป็นนิสิตนักศึกษาให้พวกเราได้คิดเอาไว้และก็พร้อมกันอุท ا านะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรักขสัมปทาคือรักษาหน้าที่การงานของเราอย่าให้เสื่อมเสีย ในการเป็นอยู่อัลกขาคือรักษาทรัพย์สมบัติรักษาหน้าที่การงานรักษาการเงินหรือมิตรสหายคือสิ่งที่ดีให้รักษาเอาไว้อักขาสัมปทากัลยานามิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนที่ไม่ดีเป็นเพื่อนที่ไม่ดี้าครคบเพื่อนไม่ดีคนที่ไม่ดี อีกสักวันหนึ่งเราก็จะพลอยไม่ดีไปด้วยเพ้อเผลอเกียรติยศชื่อเสียงของเราก็จะเสียไปด้วยเพราะอะไรเพราะหมูพวกเพื่อนไม่ดีถึงเราถึงเราจะไม่ได้ทําเองแต่เราไปคบค้าสมาคมกับเขาพอเขาจับได้ไล่ทันงบมันไปเป็นเพื่อนของใครเพ้อเผลอเราอาจจะได้ถูกสอบถูกสวนกับเขาไปด้วยเพราะเหตุไร เรารู้ว่าคนนี้ไม่ดีแล้วก็ควรจะตีตัวออกให้หา่างอันนี้ว่ากัลยาณามิตให้คบเพื่อนที่ดีงามสำมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่ปน่นไม่คดไม่โกงไม่เบียดไม่บางเขามาเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้หลักของพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนพวกเราลูกหลานทั้งหลายให้พระพฤตตนเป็นคนดี ถ้าเราทำตัวอย่างนี้ได้ปรับปรุงตัวอย่างนี้ได้เราไปอยู่น่าสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำมาหาเลี้ยงชีพถึงจะไม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็จะดำรงชีพเป็นไปได้ไม่เดือดร้อนเพราะเหตุไรเพราะว่าการวางตัวของเรานั้นเหมาะสมรู้จักประมาณตนรู้จาักการเป็นอยู่ของตนนี่แหละ หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอาไว้มีมากมายหลายอย่างอย่างถ้าพวกเราเป็นฆราวาสต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็ต้องมีธรรมประจําใจของเราอีกพระพุทธเจ้าก็สอนอีกต่้นว่าฆราวาสธรรมธรรมของคราวาสสี่อย่างให้มีความจริงจังให้ซื่อสัตย์ให้มีความจริงใจสัจจะคล้ายๆคำว่า คนที่ไม่มีสัจจะจะทำมาค้าขายกับใครเขาก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเหตุอะไรพ่อพูดอย่างหนึ่งวันนี้พูดอย่างหนึ่งวันหน้าพูดอย่างหนึ่งหาความสัต์จริงไม่ได้ละละเละเละแล้วเขาจะทํามาค้าขายเป็นเงินร้อยล้านพันล้านกับเราไม่ได้เพราะคนขาดสัจจะคนไร้สัจจะคบไม่ได้เพราะฉะนั้นสัจจะคํานี้จะต้องเป็นสัพพุบุรุษสัตตบุรุษคือบุรุษที่ มีคุณธรรมในใจถ้าว่าพูดอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามที่ได้พูดเอาไว้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถ้าพูดได้ก็ต้องบอกว่าได้เพราะนั้นการสัจจะคำนี้เนี่ยจำเป็นอย่างมากสำหรับทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํามาค้าขายถ้าว่าคนไร้สรัจจะแล้วจะทํามมาค้าขายใหญ่โตไม่ได้จะไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจจะไม่มีใครนับถือ เพราะว่าคนขาดสัจจะคนไม่มีความจริงจังและจริงใจข้อที่สองธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนการข่มใจของตนนะเราไม่ใช่ว่าจะดีตลอดก็ไม่ใช่บางทีอารมณ์ของเรากโมโหโทโศโกรธาก็มีเพราะฉนั้นท่านจะว่าให้ข่มเอาไว้บางทีได้ยินสิ่งไหนมาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเราก็ไปโมโหโทโศโกรธาให้เขาก่อน อย่างนี้ก็เสียเพื่อนเสียผงเสียวงการเสียการเสียงานเพราะเหตุไรเพราะเราไม่รู้จักข่มจิตจบข่มใจของตนเองเพราะฉะนั้นเสิ่งไหนก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังมายัางไม่ชัดเจนเราจะพึ่งโมโหโทโ่โศวโกรธาให้แก่ใครได้ไง่ายๆพยายามข่มใจเอาไว้ก่อนให้ฟังให้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักวิธีการปรับปรุงแก้ไขตนเอง อันนี้เรียกว่ารู้จักข่มใจของตนทรมะให้รู้จักข่มใจจากนั้นก็ขันติเหรยังยังมีย้ำอีกขันติคือความอดทนอีกการอดทนคํานี้กดทนทั้งหน้าที่การงานอดทนทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งหิวทั้งกระหายอดทนต่อคําดุด่าว่ากล่าวผู้สูงกว่าผู้ต่ํากว่าเราต้องอดทนต้องฟัง แล้วก็มีความอดทนได้เจอได้พบสิ่งนั้นมาเราก็ใข่ควรไตรตรองด้วยเหตุผลด้วยใจเย็นด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ทาใจดูให้ดีให้ชัดเจนเราจะว่าอย่างไงเรายังค่อยว่าอีกด้วยปัญญาของเราด้วยความรอบครอบของเราอีกครั้งหนึ่งอันนี้ท่านว่าขันติคือความอดทนและก็จาคะเกิดเป็นคนต้องมีการเสียสละ เราจะไปเห็นแก่ตัวไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครก็ไม่ได้เพราะนั้นการมนุษย์ที่มาอยู่ด้วยกันด้วยการเป็นอยู่ต้องเสียสละต่อกันจึงจะถูกต้องถ้าไปที่ไหนไม่มีการเสียสละไม่มีทานณะคือการเสียสละมีแต่เห็นแก่ตัวโลกทั้งโลกก็ไม่น่าอยู่พ่อแม่ที่จะเลี้ยงลูกก็เลี้ยงไม่ได้ หมูหมากาไก่ที่จะอยู่กับเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่มีการเสียสละแต่ถ้าว่าผู้มีน้ําใจกว้างขวางเลี้ยงลูกเลี้ยงหลา น, นตามอัตภาพที่ได้มาโดยเป็นธรรมก็เฉลือเผือแผ่ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคนทั้งหลายเขาก็นับถือออว่าเป็นผู้มีน้ําใจใครไปมาหาสู่ก็สบายอกสบายใจเพราะเหตุใดเพราะเรามีน้ําใจ เรามีทานะคือการเสียสละการเสียสละหรือว่าการทานะในนี้มีหลายอย่างมีการให้ความรู้ให้ความฉลาดให้ธรรมะให้อามิตให้เงินคาทรัพย์สมบัติให้อภัยล้วนแล้วจะเป็นการให้ทั้งนั้นการให้ทานะคนํานี้ในการทานคนํานี้การเสียสละคํานี้ใช้ได้กว้างเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่าน ตรัสเอาไว้ว่าสัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนขันติให้มีความอดทนจาคะให้รู้จักการเสียสละในชุมชนและสังคมการอยู่ร่วมกันนี่แหละอันนี้หลวงพ่อยกมาเพียงสี่ประเด็นให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษารวมและเป็นแปดที่เบื้องต้อนอุทนานสัมปทาอรรขะสัมปทา กัญยาณมิตรตาสัมมาชีวิตาจากนั้นก็ครวัตธรรมธรรมของครวาตสัจะธรรมะขันติจาคะอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาและอีกมีมากที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเราให้รู้จักการวางตัวในการปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีในชุมชนและสังคมถ้าว่าพวกเราไม่มีธรรมในจิตในใจแล้ว มีแต่โมโหโธโสโกตโลทายโลภโกดหลงเห็นใครมีแต่จะเอารัดเอาเปียบเขาโลกทั้งโลกเดือดร้อนบุญวายแล้วก็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออันหนึ่งก็คือสินห้าสินห้านี้เป็นรับรองบุคคลจะดีได้จุคนดีหรือไม่ดีต้องมีสินสินห้าเนี่ยเป็นรับรองที่เป็นชัตบุรุษหรือ ว, ว่าเป็นคนดี ต้องมีเป็นผู้มีศินถ้าว่ามีสินคุ้มครองแล้วจะไปนสถานที่ใดชุมชนกลุ่มใดถ้ามีสินห้าคุ้มครองชุมชนกลุ่มนั้นเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ถ้าว่าไม่มีสินห้าชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นไม่น่าไว้ใจไม่รู้ว่าจะออกมาในไม้ไหนเพราะเหตุใดเพราะคนขาดสินศีลธรรมสินคือที่ของอยากธรรมคือของละเอียด ธรรมคือของในใจแต่ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่ศีลส่วนธรรมะนะั่นคือความเป็นความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องว่าการที่เขาฆ่าคนอื่นไม่ถูกต้องอ น, นี่เป็นธรรมในใจการที่จะขโมยคนอื่นไม่ถูกต้องการจะประพฤติผิดในการมละลาบ ล, ละลวงสามีภรรยาของคนอื่นเขาไม่ถูกต้องการที่จะโกหกคนอื่นเขาไม่ถูกต้อง การที่จะดื่มสุราและเมรัยให้ขาดสตินั้นไม่ถูกต้องอันนี้คือธรรมในใจส่วนศีลทั้งห้าข้อนั้นคือคุ้มครองกายวายจาไม่ให้ทํากล้ำชั่วกายวายจาก็ ค, คือกายก็ ค, คือร่างกายของพวกเราไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกามส่วนวาจาไม่ให้โกหกไม่ให้พูดปด พูดหยาบอันนี้คือวาจาส่วนรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลถ้าจะพูดให้ชัดเจนพระพุทธเจ้าบัญญัติศิลเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะให้ท่านพูดเป็นภาษาพวกเราท่าหากว่าสู่เจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและกลุ่มของสู่เจ้าประเทศชาติของสู่เจ้าโลกในยุค ข, ของสู่เจ้า สูเจ้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้หนึ่งสูเจ้าอย่าฆ่าสัตว์อย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดฆ่าสัตว์ข้อที่สองสูเจ้าอย่าคิดขโมยกันข้อที่สามสูเจ้าอย่าประพฤติผิดละลาบล่วงสามีภรรยาของกันเพราะต่างคนก็ต่างมีข้อที่ 4. สี่สูเจ้าจะอย่ามุสาอย่าต้มตุนหลอกลวงกันข้อที่ห้าสูเจ้าอย่าไปดื่มสุราและเมลยัยถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันเมาเ ม, มาแล้วขาดสติ เมื <necessary. S 2> new, ่อขาดสติแล้วทําความชั anymore, é é Bem, e isso, isso e ่วในทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วพรคนขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าเนี่ยคนเป็นบ้าบ้ามากหรือบ้าน้อยถ้าบ้าน้อยก็พอมีสติอยู่บ้างถ้าบ้ามากก็ขาดสติไม่รู้อะไรเป็นอะไรทําความชั่วได้ทุกอย่างเพาะคนเมามากก็ลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ากินดื่มสุราเข้าไปมันก็ต้องเมาถ้าเมาเข้าไปแล้วจะเป็นยังไง ก็ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วจะเป็นยังไงก็สามารถที่จะทำความชั่วใ้ทุกอย่างเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เรารู้แล้วว่าการกระทำเหล่านั้นไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่เป็นที่สงบพรมเย็นผาสุขต่อชุมชนและสังคมต่อตนเองพร้อมที่จะเสียลาภเสียเงินเสียทองเสียยศชื่อเสียงเสียเกียรติประวัติของตนเองได้ง่ายถ้าเราไม่มีศินทั้งหข้อนั้น เพราะนั้นสินทั้งห้าข้อนี้คุ้มครองการเป็นอยู่ของพวกเราไปอยู่ในสถานที่ใดความสงบร่อมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองเป็นอันดับแรกอันนี้คือสินนะที่กล่าวมาทั้งหมดในการเป็นอยู่คือสินจากนั้นเรื่องสมาธิสมาธิคื อ, คอพยายามทำจิตใจให้สงบจิตใจให้ได้รับความผาสุกในจิตใจเพียงเราจะรักษา หาเงินคำทรัพสมบัติเลี้ยงชีพทำหน้าที่การงานอย่างเดียวไม่เพียงพอความคิดเพียงแค่นั้นไม่เพียงพอเพราะเหตุไรเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพนั้นจะรักษาได้เพียงแต่ร่างกายร่างกายตนนัวนี้ที่เรานั่งอยู่นี่ถึงจะเอาอาหารอย่างดิบอย่างดีมาเลี้ยงถึงจะใส่เครื่องประดับทองอารมา์ไปทั้งตัวถึงจะใส่เพชรนินกินดาเต็มไปหมดในร่างกาย อาหารทุกอย่างถูกต้องตามโภชนาการครบผ้าหมู่เพราะงนันนไม่ขาดตกบกพร่องทุกคําที่กืนเข้าไปหายใจในที่อากาศปลอดโปร่งถึงเราจะรักษาร่างกายดีขนาดไหนร่างกายนี้ก็ยังไม่อยู่กับเรายังแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายนี้จึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอ เลี้ยงไม่เชื่องถึงจะเลี้ยงยังไงก็ยังเป็ น, เ ป, นเป็นอื่นอยู่เป็นอื่นคืออะไรคือใจของเราเนี่ยนะรั ก, กร่างกายเป็นห่วงหาอะไรร่างกายอย่างมากเพราะนั้นพาอยู่พากินพาขับพาทายพาการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างคือใจพากายเนี่อยากจะให้ร่างกายของเรามีความผาสุกที่สุดจะทํำยังไงจึงจะให้สุขที่สุดประครับประงมที่สุด แต่ร่างกายนี้ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอมันไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าแก่นะร่างกายนะอย่าเจ็บนะร่างกายนะอย่าตายนะร่างกายนะบอกไม่ได้ใช้ไหมฟงังทางนะั้นมันจะไหลไปตูต่ตามสภาพอีกสักวันหนึ่งข้างนาร่างกายนี้จะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายที่จะต้องกลายเป็นกระดูกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น พอตายไปแล้วก็ไปเผากระดูกตัวเองเอาไปด้วยไม่ได้ใจของเราก็เลยออกไปแต่ดวงใจออกไปแต่วิญญาณแต่ไม่สูญในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วท่านพิสูจน์มาอย่างชัดเจนอย่างพระหันแตสาวกทั้งหลายท่านพาพิสูจน์มาแล้วพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วท่านนั่งภาวนาทําจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่า ร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจคือนามธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่คือกายกับใจกายกับใจรูปธรรมและนามธรรมนามธรรมนั้นมองไม่เห็นด้วยตาจะเอากล้องจุลทรรศมาส่องมาจับมาอะไรไม่เห็นทั้งนั้นอันนั้นคือนามธรรมแต่ตัวเองรู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรเราจะทำยังไงจิตใจของเราอยู่หรือไม่อยู่ไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเรา นี่แหละหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องนามธรรมตัวนี้แหละมากกว่าส่วนอื่นเพราะนั้นในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่พระพุทธองค์เท่านั้นอย่างพระอสิติมหาสาวกก็เหมือนกันท่านสมัยเป็นหนุ่มท่านกะสะสะ็โสแสวงหาความสุขผลที่สุดวันหนึ่งบลรมีของท่านแก่กล้าท่านไปดูมหโหสพร่วมกันโมคขลากษะสาลีบุตร ตามปกติท่านจะให้ทิพย์แก่คนให้พวงมาลัยแก่คนให้เงินแก่คนสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาตกไม้ตกมือหัวเราะพอใจท่านจะมีทำด้วยกันแต่วันนั้นท่านไปนั่งท่านนิ่งเงียบมองเห็นคนทั้งหลายเพราะบารมีของท่านแก่กล้าท่านนิ่งมองคนทั้งหลายไม่รู้จะสนุกสนานไปเพื่ออะไรอีกสักวันหนึ่ง ทุกคนที่มานั่งอยู่ด้วยกันถึงคนแสดงก็ดีคนดูก็ดีตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะกลีกหลีหนีความตายไปได้เพราะนั้นจะไปสนุกสนานทำไมสนุกสนานไปให้โง่ทำไมทำไมจึงจะสนุกสนานสนุกสนานเพิดเผินเฮาพยามัจจุราชเงืองาดาบที่จะฟันคอเราอยู่แล้วเรายังไปสนุกสนานเพิดเผินเฮหาอยู่หรือ อันนี้แหะคือความคิดของท่านโมกคลาและภาษาริบุตรจากนั้นเขาเอาท่านธโมคขาลาท่านสาริบุตรทําไมวันนี้ท่านไม่สนุกสนานเหมือนวันก่อนๆท่านก็ตอบให้ความคิดของท่านอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะเอออจากนั้นปะเราออกไปหาอาจารย์จากนั้นท่านก็เลยไปบวชกับสัญชัยปริพาชกนะจากนั้นเอออันนี้ยังไม่ใช่หนทางดูแล้วยังไม่ใช่ทาง ยังไม่ไม่ใช่ทางที่สิ้นสุดนะจากนั้นท่านก็เดินไปไปเห็นพระอาเจชนะินี่แหละปราดในครั้งพุทธกาลถึงท่านจะเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีท่านก็ไม่ได้นิ่งดูได้ไม่ได้นิ่งเปล่าว่าอาศัยเพียงการเป็นอยู่เป็นวันๆขับถ่ายเป็นวันใช้จ่ายเป็นวันๆท่านบอกต้องมีสูงกว่านี้ต้องศึกษาทางด้านจิตใจจากนั้นท่านจึงะแสวงหาไปคนละทางกันกับพระโมคคัลลา วันหนึ่งท่านจึงได้ไปเจอพระอัจฉชิชกําลังบินเทาบาตอยู่ในกรุงราชคือพระสาริบุตรท่านหนุ่มสารีบุตรนั่เดินตามหลังเห็นอากัปกิริยาของอัจฉชิย์โอ้หน้าเลื่อมใสาอากัปกิริยาไม่รีบไม่เร่งไม่ทุลนทุลายไปแบบสม่าเส ม, มอดูน่าศรัทธาจากนั้นพระองค์นี้แปลกสมณะนักบวชสายนี้แปลก ทำไมท่านจึงดูอกับกิริยานิ่งสุขขุมคำภิดภาพเหลือเกินนะจากนั้นก็เดินตามไปเพราะพระอาจาชิท่านบิณฑบาตได้อาหารเสร็จแล้วท่านก็เดินออกนอกเมืองนะแต่จากนั้นท่านก็หาที่นั่งพอกาลังจะหาที่นั่งสารีบุตรหนุ่มสารีบุตรนี่ก็หาที่นั่งให้ท่านหาใบไม้ามาลองหาสิ่งที่ให้ท่านนั่งพอท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยก็ถวายน้ําท่านพบผลิภายชก ท่านไปที่ไหนก็ถือน้ำไปด้วยแล้วก็ถวายน้ำอา ช, ชิชิพระอา ช, ชิชิท่านก็ฉันอาหารเสร็จแล้วต้องก็อถามปัญหาอา ช, ชิชิพระอาชิชิก็ตอบให้ฟังทำทั้งหลายเกิดจากเหตุให้ดูที่เหตุ เ, เท่านั้นหละไม่ได้ไม่ได้พูดมากภาษาลิบุตรท่านก็ได้สำเร็จพระสูดาบัตจากนั้นก็ถามว่าอาจารย์ของเราอยู่ไหนเดี๋ยวนี้คนบวกนู่นวัดเวรุวัน จากนั้นภาษาลิบุตรก็ตามหาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตามหาท่านก็ไปบอกกับโมกคลาอีกเพื่อนรักของท่านพอโมกคลาเห็นสาษาบุตรดเท่านั้นอ่ะเออทาไมยิ้มแย้มแจม่มใสผิดปกติวันนี้มีคงจะมีของดีมาแจกไหมเพื่อนอภาษาลิบุูดพอมีฟังเดี๋ยวราจะพูดให้ฟังก็อย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องทั้งหลายมาจากเหตุเหตุก็คือใจนั่นแหะเรื่องทั้งหลายมาจากใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบัน อ, อีกอันี้พูดอย่างโรบรัดนะอานจากนั้นท่านก็ไปลาอาจารย์แต่อาจารย์เนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิชอบเรื่องลาบเรื่องยศเป็งั้นเถอะเอไม่อยากจะให้ลูกศิษย์หนีจากตนเองแต่อาจารย์เออคนโง่กับคนฉลาดในโลกนี้อันไหนมากกว่ากันฮะท่านก็ถามนะไอ้คนโง่มันเป็นยางั้นน่ะทิฐิมานะตัว น, นี้ไม่ใช่ธรรมดา คนโง่กับคนฉลาดอันไหนมากกว่ากันภาษาลิบุตรก็บอกว่าคนฉลาดน้อยกว่าคนโง่คนโง่น่ยมากกว่าคนฉลาดคนฉลาดน่ะเหมือนกับเขาวัวคนโง่เน่ยเหมือนกับขนวัวขนวัวกับเขาวัวอันไหนมากกว่ากันก็ต้องว่าเขาวัวมีอยู่สองเขาแต่ขนวัว น, นั้เป็นล้านๆเออสนใจก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไปหาคนฉลาด เราจะสอนคนโง่เราจะอยู่กับคนโง่เออครับแต่งั้นกับผมไปแล้วนะอาจารย์เอ่อโมกคลากาะสาลิบุตรท่านก็ออกไปลูกน้องสนใจปริพาโชคกัแตคือไปด้วยเออทั้งห้าร้อยเพราะนั้นสนใจไม่มีลูกน้องสนใจ ก, ก, ก็เลยกระอากเลือดตายประนั้นเถะนี่แหละให้ความโง่เนี่ทิฏฐิมานะเนี่ยมันควรจะปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันนะอ ควรจะฟังหน้าฟังหลังควรจะศึกษาไม่ใช่จะ ด, ดันทุลังอย่างเดียวนะจากนั้นพระสารีบุตรโมคขลาก็ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็ได้บริวารของโมกคลาสารีบุตรท่านก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลจากนั้นพระโมกคลาท่านก็ได้สําเร็จพระอรหันต์ก่อนพระสารีบุตรส่วนพระสารีบุตรได้สาเร็จทีหลังนี่แหละสรุปแล้วก็คือกล่าวมาให้ฟังทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ว่าให้เราลุ่มหลงมัวเมากับการเป็นอยู่ลาบยศ ส, สัรเสริญเงินคําทรัพย์สมบัติเท่านั้นควรเฉาะแสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจนามธรรมาตัวนี้หิวโหวยต้องการธรรมะเข้าสู่จิตใจในเมื่อเราเาะแสวงหาธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วใจของเราได้ธรรมะใจของเราก็จะมีความสุขเบิกบานเบื่อหน่ายคลาย เห็นโทษกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตในใจด้วยมรรคปดคือตปรธรรมคือสินสมาธิปัญญากลั่นกรองใจของเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วสิ่งควรไม่ควรหน้าสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรละควรปล่อยควรจะวางอย่างไรอันนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีมากที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาในจุดนี้ คนนั้นทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะต้องศึกษานั้นมีมากมายอันดับแรกก็เรื่องสมาธิในการแนะนำสมาธิหลวงพ่อเองก็ในยุคนี้สมัยนี้มีหลายๆอย่างวิธีการแนะนำสมาธิแต่หลวงพ่อเองในการแนะนำของหลวงพ่อเนแนะนำแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจาร สายหลวงปู่มั่นเนีท่านจะได้นําเรื่องภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้บริกรรมพุทธโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเข้าออกแล้วการก้าวเดินหายใจก้าวขวาพุทธขาซ้ายโธในการก้าวเดินสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญะทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนให้มีสติสัมปชัญญะถ้าว่าขาดสติเมื่อไหร่ ในช่วงนั้นขณะนั้นแปลว่าขาดความเพียรขาดความใส่ใจขาดสติแปลว่าขาดความเพียรแต่เรามีสติเวลาไหนจะอยู่ในการงานหน้าที่การงานหรือจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามถ้าเรารู้มีสติอยู่กับตัวเองมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองขณะนั่นแหลเวลานั่นแหลเป็นเวลาที่ทําความภาคเพียรเป็นเวลาที่ภาวนาเพราะนั้นในพวกเรา การจะตั้งใจภาวนาหรือไม่ภาวนาไม่ต้องหาที่อื่นให้ดูที่สติของตนเองถ้ามีสติอยู่กับตัวเองนะั้นันแหละคือการภาวนาเนี่นหละการภาวนาจุดนี้แหละต่อไปภายภาคหน้าจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็เมื่อมีสมาธิดีแล้วก็นาจิตที่มีสมาธิดีนามาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลมาพิจารณาร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวว่า ร่างกายนี้จึงจะเลี้ยงอิ่มีพีมันดูแลทนุถนอมดีขนาดไหนร่างกายนี้ก็เป็นอื่นอยู่เสมอในเมื่อเป็นอื่นอยู่เสมอในร่างขนาดร่างกายท้นท้องตนเองก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังเป็นอื่นอยู่เสมอแล้วเราจะไปหลงสิ่งอื่นละ่ะร่างกายของคนอื่นละ่ะร่างกายหญิงชายละ่ะชับสมบัติเงินคำบริษัทห้างร้านที่ดินเลือกสวนไรนา สิ่งไหนก็ตามขนาดร่างกายของตนเองยังไม่ใช่ของตัวของตนแล้วอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องเอาไปฝังดินเอาไปบรรจุในหงสุยเอาไปเผาไฟที่เมนผลที่สุดมีแต่กระดุกนี่ร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่เมื่อร่างกายของเราเอามาจากท้องพ่อเอามาจากท้องแม่แท้ เราเลี้ยงโดยความรักทนุถนอมขนาดนี้แท้ๆก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อยู่เหรอคิดดูให้ดีนะอันนี้ก็คือเป็นคำสอนทางจิตใจเป็นคำสอนบอกกล่าวจิตใจของตนเองไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมากับการเป็นอยู่ของตนเองจนเกินไปนี่แหละจากนั้นเราพยายามเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราเรื่อยๆจิตใจของเราก็ได้รับธรรมะสูงส่งขึ้น สูงส่งขึ้นผลที่สุดก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงจิตใจของเราก็ถอดกระเด็นหรืว่าถีบตัวหลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่รุ่มโงมัวเมาเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตใจก็เป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็ด้วยนี่แหละด้วยสินสมาธิปัญญามร์แปนี่แหละ พิจารณาร่างกายพิจารณาถึงจิตใจให้เกิดความเบื่อหน่ายพิจารณากายพิจารณาใจพิจารณาใจพิจารณากายสลับกันต่างกล่ำต่างวาระจนรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อต่ายคายไม่ยึดมั่นถือมันนั่นแหละมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนสรุปแล้วจุดจบของหลักสูงสุดของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทำที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ไม่อยู่ที่ไหนเพราะนั้นให้พวกเราลูกหลานทั้งหลายศรัทธาญาติโยมพระเนนทุกองนะให้บําเพ็ญถึงจะทําไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก็พยายามฟังและพยายามศึกษาจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดีอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนกับตัวของเราเองให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกวิญญาณโวงนี่แหละหที่เราอยากจะรู้ ให้นั่งภาวนาถ้าจิตสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตวนเองว่าร่างกายนี่เป็นอันหนึ่งส่วนนามธรรมจิตใจน่เป็นอันหนึ่งตัวนามธรรมตัวนี้แหละที่ว่าจะไปเป็นผีแล้วไปเป็นเปรตหรือตกนรกออมันไปได้ทั้งนั้นละ่ะดวงวิญญาณใจดวงนี้เพราะนั้นถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรม รว่าความเชื่อมั่นไม่อยู่ในที่ใดอยู่ที่ตัวของเราเองเพราะธรรมะเป็นปัจจัตตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองและการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุดติในการพูดเพียงเท่านี้แล้วต่อนนี้ไปนั่งสมาธิจักชั่ว ร, ระยะหนึ่งก่อนนะลูกหลานจากนั้นค่อยแยกย้ายกันเอานั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมมือขึ้นในระหว่างอกจากนั้นบริกรรมพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆสามจบคือไหว้ครูสก่อนจากนั้นเอามือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นให้บริกรรมลมหายใจเข้าบริกรรมว่าข้าพรเจ้าจงเป็นสุ หายใจออกผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรสรรพสัตว์ทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้เราบริกรรมจิตใจของเราปล่อยวางให้สบายๆเราไม่ถือโทษโกรธเคืองให้แก่ใครทั้งหมดเพราะเรามาเกิดกลัมของเราพามาเกิด เมื่อจะตายไปกับกรรมของเราพาไปเพราะนั้นเราจะไม่ถือโทษโกรธเกรงเราพร้อมที่จะให้อภัยแก่ใครๆทั้งหมดจากนั้นก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโธพุทโทพุทโธไม่ต้องตรึงไม่ต้องเกรงนะจากนั้นก็ถ้าวัดจิตใจมันยังสวบสดิวัสดวัไปก็บริกรรมพุทธโธพุทโธพุทโธในใจนะให้ใจ บริกรรมให้ใจบ่นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไม่ต้องให้มันออกไปข้างนอกนะให้อยู่ให้ใจบ่นในใจแต่ไม่ส่องบ่นออกข้างนอกนะให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธในใจเท่านั้นพอจากนั้นท่าว่าผู้ใดพิจารณาร่างกายก็อย่างที่หลวงพ่อได้เคยสอนเอาไว้พิจารณาเป็นอสุภะพิจารณาเป็นกปฏิกูลพิจารณาเป็นร่างกระดูกกระสุดแทะแต่ที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติมานะต่อห น, นี้ไปนั่ง